บทที่เ2ผีตองเหลืองหลวงพ่อครับหลวงพ่อกับผมจะเดินทางไปไหนต่อครับท่านพระครูถามหลวงพ่อดําไม่กล้าใช้คําว่าเราได้เกรงพิสูรรัตนโยจะคิดว่าท่านตีเสมอเรากับเธอจะพากันเดินทางข้ามภูเขาไปยังประเทศพมา่าเธอจะได้ไปนมัสการพระเจดีชเวดากองละครับ ดีใจหนาดีใจหนาผมอยากจะไปนมัสการเจดี JD องนี้มานานแล้วแต่ยังหาโอกาสไม่ได้อีกประการหนึ่งความที่ผมเคยรบกับพมา่าในชาติที่แล้วทำให้ผมไม่ชอบพมา่าไม่อยากไปเมืองที่เคยเป็นศัตรูกับคนไทยสมัยที่ผมเป็นแม่ทัพผมเคยถูกพมา่าจับไปเป็นตัวประกันอยู่พมา่าตั้งหลายเดือน ประทั่งแม่ทัพอีกคนหนึ่งเขาไปรับตัวกลับมายัางกรุงศรีอยุธยารู้แล้วแล้วชาตินี้แม่ทัพคนนั้นก็เกิดมาเป็นผู้หญิงเธอจะได้ตอบแทนบุญคุณเขาเพราะพ่อแม่เขาจะมาขอร้องให้เธอไปรับลูกเขากลับมาเช่นกันรับมาจากไหนครับคงไม่ใช่จากพมา่านะครับผมไม่อยากไปเมืองพมา่าอีกผมหมายถึงว่า ไปโดยที่ไม่มีหลวงพ่อไปอ่ะนะครับไม่ต้องไปถึงพม่าหรอกแค่จังหวัดชายแดนตากหรือครับหรือว่าเชียงรายไม่ใช่ตากแล้วก็ไม่ใช่เชียงรายถ้าเช่นนั้นก็กาญจนบุรีผมจะไปรับเขาที่กาญจนบุรีใช่ไหมครับเอาเถอะถึงเวลานั้นเธอก็จะรู้เอง แต่เวลาเนี่ยเตรียมตัวเดินทางได้แล้วและขอย้ำอีกครั้งว่าศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนะักจะใหญ่หลวงหรือใหญ่น้อยอย่างไรผมก็ไม่กลัวครับเพราะผมมีครูบาอาจารย์อยู่ใกล้ชิดสมพันธ์วัดป่ามะม่วงพูดอย่างไม่พลั่นพลึงเราบอกแล้วไงว่าให้พึ่งตัวเองอัตติหิตอัตโนนาโธโกหิตนาโทปะโรเซยา จำพระพุทธวจนะบทนี้ไว้ให้ดีอย่าคิดว่าครูบาอาจารย์จะช่วยเธอได้เสมอไปต้องช่วยตัวเองก่อนและเมื่อตะกี้เธอพูดว่าใหญ่หลวงหรือใหญ่น้อยคำว่าใหญ่น้อยฟังทําแม่งหูยังไงฉุบกนทําไมไม่ใช้คําว่าเล็กน้อยเพราะใหญ่หลวงก็น่าจะคู่กับเล็กน้อยหรือว่าเธอตกภาษาไทย หลวงพ่อดำรู้สึกกังขาขาไม่ได้ครับผมเป็นคนเก่งภาษาไทยชนิดหาตัวจับยากขนาดศาสตราจารย์ทางด้านภาษาไทยยังสู้ไม่ได้เรื่องจริงนะครับสิทธ์คุยเคืองด้วยตั้งใจจะยั่วอาจารย์อาจจะจริงสําหรับเธอแต่คงไม่จริงสําหรับเราไหนลองอธิบายให้เราฟังหน่อยสิว่าทําไมเธอถึงได้ใช้คําว่าใหญ่หลวง คู่กับใหญ่น้อยอาจารย์ต้องการคาตอบก็ผมใช้แบบเดียวกับชาวบ้านเขาใช้นะครับแบบไหนชาวบ้านเขาใช้กันแบบไหนคำตอบของสิทธิ์ดูเหมือนจะยิ่งให้อาจารย์งงมากขึ้นเขาใช้คำว่าหลวงคู่กับน้อยครับเช่นเขาเรียกเมียคนหัวปีว่าเมียหลวงเมียคนถัดมาก็เรียกว่าเมียน้อย ไม่ว่าจะถัดมากี่คนก็จัดว่าเป็นเนียนน้อยทั้งหมดเอถ้าคนหัวปีก็ต้องคู่กับคนสุดท้องสีทถึงจะถูกอาจารย์นึกสนุกบ้างก็แล้วแต่จะตีความครับสรุปว่าหลวงพ่อทราบเหตุผลแล้วนะครับว่าทำไมผมจึงใช้คำว่าใหญ่น้อยทำไมไม่ใช้คำว่าเล็กน้อยก็พอทราบแต่เราอยากขอเตือนเธอว่า อย่าไปตามอย่างชาวบ้านมากนักเพราะเธอเป็นนักบวชไม่ใช่ชาวบ้านเข้าใจไหมเข้าใจครับสิทธิตอบเสียงอ่อยเพราะเข้าใจแจมแจ้งว่าถูกอาจารย์ตำหนิเข้าแล้วเข้าใจก็ดีแล้วออกเดินทางได้พบกันบนยอดเขาที่ชายแดนนะชายแดนไหนครับก็ชายแดนไทยพม่าน่ะสิไม่น่าถาม สิทธิ์ถูกอาจารย์ตำหนิเป็นคำรบสองแต่ชายแดนไทยพมา่ามีตั้งหลายแห่งนะครับหลวงพ่อและหลวงพ่อจะให้ผมไปพบชายแดนแห่งไหนครับแห่งไหนที่มียอดเขาสูงก็พบกันที่นั่นไปคิดเอาเองก่นแล้วกันหลวงพ่อ อย่าให้ผมคิดเองเลยครับผมเกรงว่าจะไปไม่ถึงเพราะคิดไม่เก่งเมื่อลงพ่อเอาละเธอจะไปถึงอย่างแน่นอนแต่ว่าจะถึงก็ต้องผจญกับอุปสรรคนานปการหนักหนาสาหัสกว่าตอนไปดงพยาเยนมากนะักทำไมหลวงพ่อชอบทรมานผมเราหน่ารือทรมานเธอเราไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนแต่ขอบอกเธอว่า เมื่อเธอฟันฝ่าอุปสรรคได้ก็จะทำให้เธอแกร่งแล้วก็กล้าขึ้นอย่าลืมว่ามานไม่มีบารมีไม่เกิดเอาละออกเดินทางได้แล้วใช้คาถาย่นระยะทางได้หรือเปล่าครับตามใจจะใช้คาถาอะไรก็ตามใจแต่ว่ากว่าจะพบเราเธอต้องปักกลดอยู่ที่เชิงเขาหนึ่งคืนก่อน ตอนเดินขึ้นเขาห้ามใช้คาถาให้เดินอย่างมีสติเหมือนกับเวลาเดินจงกรมเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วครับถ้าเช่นนั้นผมขอกราบลาผมจะออกเดินทางเดี๋ยวนี้ท่านกราบเบญจังคปดิษสามครั้งแล้วออกเดินทางคิดว่ารับตาอาจารย์แล้วจึงจะใช้คาถาย่นระยะทางที่ได้ร่ำเรียนมาจากหลวงพ่อเดิมขอให้โชคดี ส่วนเราจะนั่งพักอยู่ที่นี่สักค่นราตรีแล้วจึงจะไปรอเธอที่บนยอดเขาหลวงพ่อดาบอกลูกศิษย์ท่านพระครูหยุดเดินหันมาถามว่าหลวงพ่อจะใช้คาถาย่นระยะทางใช่ไหมครับเราไม่จำเป็นต้องใช้คาถาย่นระยะทางถ้าเช่นนั้นหลวงพ่อคงหายตัวไปหรือไม่ก็ดำดินไปไม่ใช่ทั้งสองอย่างผมรู้แล้ว หลวงพ่อจะหอกไปที่หลวงพ่อบอกว่าจะพักอยู่ตรงนี้สักค่ำราตรีแล้วจะไปก็แปลว่าหลวงพ่อจะรอให้คนเขากลับกันก่อนจะได้ไม่มีใครเห็นตอนที่หลวงพ่อหอะสมภารวัดป่ามะม่วงคาดคะนีเมื่ออาจารย์ของท่านไม่พูดว่ากระไรท่านก็ยิ่งมั่นใจในสิ่งที่ท่านพูดนั้นถูกต้องทุกประการ เดินไปได้สักพักภิกษุวัย45้าจึงใช้กรถายย่นระยะทางและมาถึงเขาโดยที่ไม่รู้สึกเหนื่อยท่านจัดการหาที่ปักกรดเพราะอาจารย์สั่งให้พักอยู่ที่เชิงเขาคืนหนึ่งก่อนแล้วจึงเดินไปพบท่านบนยอดเขายังไม่ทันจะมืดท่านก็ต้องผจญกับป่าซึ่งเป็นพวกเดียวกับผีตตองเหลืองยังไม่ทันจะมืดท่านจ้องผจญกับคนป่า ซึ่งเป็นพวกเดียวกับผีตองเหลืองพวกนั้นกรูกันเข้ามาและใช้หน้าไมาย้ยิงมาอย่างท่านโดยประสงค์จะเอาเนื้อไปกินเป็นอาหารแต่เมื่อลูกดอกที่ยิงมาไม่อาจทาอันตรายท่านได้เลยพากันตื่นตกใจวิ่งเข้ามาหมอบอยู่เบื้องหน้าคิดว่าท่านเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาที่สามารถดลบดานเพศภัยให้แก่พวกเขาได้ ตัวสั่น ง, งันงกด้วยความกลัวว่าจะถูกลงโทษคนเป็นหัวหน้าพูดด้วยภาษาที่ฟังไม่รู้เรื่องท่านต้องใช้วรปัญญาจึงรู้ว่าเป็นคำขอขมาลาโทษภิกษุวัยส้ายิ้มอย่างปราณีชจรอยคนป่าเหล่านั้นจะมีบุญเพราะพวกเขาเกิดประทับใจในรอยยิ้มของท่านและคิดตรงกันว่าเจ้าป่าเจ้าเขาองค์นี้ยิ้มสวยเหลือเกิน ท้าทางท่านคงจะใจดีคนเป็นหัวหน้าจึงพูดว่าข้าต้องขออาภัยที่ไม่รู้ว่าท่านเจ้าป่าผู้ดูแลขุนเขาแห่งนี้คิดว่าท่านเป็นมนุษย์ที่พวกข้าจะนำไปเป็นอาหารได้ท่านพระครูเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดเพราะใช้วรรปัญญาหากก็มีปัญหาว่าท่านพูดภาษาของเขาไม่ได้ครั้นจะพูดภาษาของท่าน พวกเขาก็จะไม่เข้าใจเห็นจะต้องใช้ภาษามือซึ่งนิยมใช้สอนคนใบ้แต่คนป่าเหล่านี้ไม่ใช่คนใบ้ท่านจึงต้องใช้ภาษาจิตอีกภาษาหนึ่งซึ่งจะสามารถสื่อสารกับพวกเขาได้แล้วจึงสอนพวกเขาด้วยภาษามือบวกภาษาจิตมีใจความว่าการที่พวกเขาเกิดมาเป็นคนป่าในพงไพร ไม่ได้พบกับความเจริญเฉกเช่นมนุษย์ทั้งหลายก็นับว่าโชคร้ายพออยู่แล้วหากพวกเขากระทําบาปโดยการกินเนื้อมนุษย์ก็จะทําให้เกิดในที่ที่ยิ่งเลวไปกว่าเช่นไปเกิดในนรกต้องถูกโทษทันอย่างแสนสาหัสอันเป็นวิบากจากกรรมชั่วที่พวกเขาได้กระทําทําไมพวกข้าจึงกินเนื้อมนุษย์ไม่ได้หัวหน้าคนป่าถามท่านพระครูใช้ภาษาจิตบวกภาษามือตอบว่า เพราะมนุษย์เป็นสัตว์โลกที่ฝึกได้พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเราทั้งหลายตรัสสอนว่าท่านโตเศธโธมนุษย์เสสุในหมูมนุษย์คนประเสริฐคือคนที่ฝึกแล้วท่านไม่กินเนื้อมนุษย์หรอกหรือเนื้อมนุษย์อร่อยมากนะหัวหน้าคนป่ายังคงคิดว่าท่านเป็นเจ้าป่าผู้ดูแลขุนเขาแห่งนี้ท่านจึงสื่อสารกับพวกเขาว่า ท่านเป็นสาวกของพระศาสดาพระศาสดาของท่านตรัสห้ามสาวกมิให้ฉันเนื้อสัตว์สิบอย่างได้แก่เนื้อมนุษย์เนื้อช้างเนื้อม้าเนื้อสุนัขเนื้องูเนื้อราชสีเนื้อหมีเนื้อเสือโคร่งเนื้อเสือดาวและเนื้อเสือเหลืองนอกจากเนื้อสัตว์สิบอย่างที่กล่าวมาแล้วที่เหลือนอกนั้นท่านกินได้ใช่ไหมและท่านล่าสัตว์เองหรือเปล่า สมผานวัดป่ามะม่วงอธิบายให้เขารับรู้ด้วยภาษาที่ท่านคิดขึ้นเองคือภาษาจิตบวกภาษามือความว่าท่านเป็นพระภิกษุมีหน้าที่สั่งสอนประชาชนให้ดำรงอยู่ในศีลธรรมเลี้ยงชีวิตด้วยอาหารที่ประชาชนนำมาให้จึงไม่ต้องหาอาหารเองการเป็นพระภิกษุมีข้อปฏิบัติที่เรียกว่าพระวินยัยแบ่งเป็นข้ อ, ขอ เรียกว่าสิกขาบทมีทั้งหมด227ข้อภิกษุปฏิบัติตามพระวินยัยการล่าสัตว์เป็นการผิดพระวินยัยท่านจึงไม่ล่าสัตว์ถ้าเช่นนั้นข้าจะนำอาหารมาให้ท่านกินหัวหน้าคนป่าเกิดเมตตาอยากอนุเคราะห์ท่านท่านจึงขอบใจเขาแล้วก็ชี้แจงว่าท่านไม่สามารถรับความอนุเคราะห์ของเขาได้ เพราะเลยเวลาฉันอาหารไปแล้วพระภิกษุต้องฉันก่อนเที่ยงเลยเที่ยงไปแล้วฉันไม่ได้แล้วท่านมีลูกเมียหรือเปล่าเขาถามอีกท่านตอบว่าภิกษุคือนักบวชซึ่งนักบวชในาศาสนาของท่านต้องประพฤติพรหมจรรย์มีลูกเมียไม่ได้หัวหน้าคนป่ารู้สึกศรัทธาในท่านพระครูมากได้สนทนากับท่านจนเป็นที่พอใจ และเมื่อทราบว่าท่านจะพำนักอยู่ในป่าแห่งนี้จึงถามว่าท่านไม่กลัวหรือป่าแห่งนี้น่ากลัวมากกลางคืนเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายเสือสิงกระทิงแรดช้างป่าและงูงเงี้ยวเขี้ยวขอท่านควรจะขึ้นไปนอนบนเขาภิกษุวัยสี่สิ้าตอบว่าท่านมีวิชาที่จะป้องกันภัยจากสัตว์เหล่านั้นได้ขอพวกเขาอย่าได้เป็นห่วงท่านถ้าเช่นนั้นพรุ่งนี้ พวกข้าพเจ้าจะนำอาหารมาให้ท่านกินจะไม่มีเนื้อสัตว์สิบอย่างที่ท่านบอกมาเขาคิดว่าจะขุดเผือกขุดมันหาผลไม้มาให้ท่านจากนั้นจึงพากันลากลับท่านพระครูมองตามคนเหล่านั้นรู้สึกสมเพศเวทนาในความเป็นอยู่ของพวกเขา ดูเอาเธอแม้แต่เสื้อผ้าก็ไม่มีจะนุ่งหม่มต้องใช้ใบไม้ปกปิดอวัยวะส่วนล่างเอาไว้เพื่อไม่ให้ดูอุจจาดในตาวันพรุ่งนี้เมื่อพวกเขามาหาท่านก็จะอนุเคราะห์โดยให้สมาธานศีลและรับไตรสรณคมอย่างน้อยก็ช่วยพวกเขาให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นสัตว์สิบชนิดซึ่งรวมมนุษย์ด้วยก็จะไม่ถูกล่าไปเป็นอาหาร และที่สำคัญคือชาติต่อไปพวกเขาจะไม่ต้องเกิดมาเป็นคนป่าอีกหากปฏิบัติตามในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนความมืดโอยตัวเข้ามาปกคลุมอนาบริเวณอากาศเริ่มหนาวเย็นมากขึ้นท่านจึงเข้าไปในกรดและนั่งบำเพ็ญภาวนาทัานใดนั้นก็มีเสียงสวดสาบอยู่ภายนอกท่านดูด้วยตาปัญญา ก็เห็นงูเหลือมตัวหนึ่งมานอนรอจังหวะที่จะกลืนท่านเข้าท้องเป็นพักษาหารนึกถึงตอนเป็นเด็กก็ได้ยินพวกผู้ใหญ่เขาเล่าให้ฟังว่างูเหลือมมันกลืนวัวกลืนควายเป็นตัวตัวท่านก็เชื่อ ว, ว่ามันสามารถกลืนพระผอมๆอย่างท่านได้โดยไม่ยากวิธีป้องกันคือต้องสวดขันธปริจจึงเริ่มด้วยบทขัดตานานขันธปริจดังนี้ สัพพาสีวิสาชาตินังสัพภมันตาคทังวิยะยั น, นาเตสีวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอนาเขตตําหิตสัพพัตตะสัพภหาสัพปานินางสัพภโสปินิวาเรติปริตันตําพระนามะเหแปลว่าพระปริตอันใดย่อมยังพิษอันร้ายแรงแห่งงูร้ายทั้งหลาย ให้ฉิบหายไปดุดยาวิเศษอันประกอบด้วยมนทิพย์อันหนึ่งพระปริตอันใดย่อมห้ามการอันตรายอันวิเศษของสัตว์ทั้งสิ้นโดยประการทั้งปวงในอนาเขตในที่ทั้งหมดในการทุกเมื่อเราทั้งหลายสวดพระปริษอันนั้นเทินขึ้นบทขัดเสร็จแล้วภิกษุวัย45่ิจึงสวดคันท่ปริต ซึ่งมีจำนวนคาถาทั้งสิ้นห้าคาถาสวดกลับไปกลับมาอยู่หลายรอบเจ้างูเหลือมตัวมาหึอมาจึงค่อยๆเลื้อยออกไปอย่างเชื่องช้าครั้นเจ้างูเหลือมไปแล้วอสอรพิษอื่นๆ น, นับร้อยตัวก็เลื้อยผ่านกรดท่านไปโดยไม่ได้ทำอันตรายแต่ประการใดการเป็นดังนี้ก็ด้วยอนุภาพแห่งคันท่าาริ์ของพระพุทธองค์โดยแท้